ให้ตายสินี่มันอะไรกันนี่ใครเคยเห็นมีสีประหลาดประหลาดอย่างนี้มาก่อนบ้างมันคืออะไรกันใครจะบอกได้เสียงชายยานครางออกมาเชิดามเม้มริมฝีปากแน่นใช้สานมีดเบาๆค่อยๆเป็นจงต่อยแง่หินสีชมพูใสมีเส้นแดงเรื่อเเป็นแกนอยู่ใจกลางก้อนหนึ่งหลุดออกมาจากโขดหินใหญ่แล้วหยิบขึ้นส่องพิจารณาดูด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึม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 พรานใหญ่เพ่งพิษแต่ละก้อนเหล่านั้นอยู่เป็นครูใหญ่แล้วกลาสายตาไปรอบๆอีกครั้งที่คุณชายแนี้ขึ้นมานี่มันทําท่าจะเป็นทับทิมครับส่วนของคุณหญิงนี่ก็มีทางว่าจะกลายเป็นมุกดาหารและของคุณชายยานก็ควรจะเป็นมรกตต่อไปแต่จะอีกสักกี่ร้อยปีไม่ทราบได้เท่าที่เราพบนี่มันเริ่มจะแปรสภาพเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นตัวจริงของมันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็น่าอัศจรรย์ไม่ใช่น้อย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 อาจนับเป็นร้อยร้อยปีข้างหน้าก่อนที่มันจะเป็นตัวจริงที่นี้ถ้าลึกลงไปในภูเขาหินรูปนี้ละ่ะสมมติว่ามันถูกระเบิดหรือขุดค้นกันลงไปเจ้าส่วนที่มันอัดตัวแน่นจนกลายเป็นของจริงไปแล้วจะไม่มีอยู่บ้างทีเดียวหรือรัพินยกมือข้างหนึ่งขึ้นรูปปลายคางก็หน้าคิดเหมือนกันครับในข้อนี้บางทีคุณชายอาจพูดถูกแล้วในข้อที่ว่าขณะนี้พวกเราทุกคน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 แต่มันก็อาจใกล้เคียงเข้าไปมากแล้วก็ได้ว่าไม่ได้เหมือนกันครับหลังจากที่คณะของเราหมดธุระเรื่องการติดตามค้นหาคุณชายอนุชาแล้วและยังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ได้พวกคุณอาจหวนมาสำรวจแหล่งนี้แล้วพบว่ามันกลายเป็นขุมพลอยมีค่ามหาศาลไปก็ได้ใครจะรู้อย่าใช้คาว่าพวกคุณแต่จงใช้คำว่าพวกเราอันหมายถึงตัวคุณเองด้วยเช่ากล่าวอย่างหนักแน่น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 ส่วนต่ำสุดของมันเป็นหินปูนชนิดเปราะปนกับดินล้วนซึ่งยึดเหนี่ยวกันไว้ได้วยรากไม้พรานใหญ่ก็ออกคำสั่งให้แง่ทรายกับเกิดไปตัดไม้สำหรับจะใช้งัดทรวงเพื่อเปิดปากช่องออกไปในบัดนั้นครู่เดียวทั้งสองก็แบ ก, แบกแก่นไม้แข็งท่อนขนาดหน้าแข้งเสียมปลายเป็นปากฉลามยาวประมาณสองว่าท่อนหนึ่งเข้ามาระพินใช้สันมีดโบวีกระทาะบริเวณรอยแยก ให้ขยายเป็นช่องกว้างออกไปพอที่จะสอดไม้อันนั้นเข้าไปได้แล้วบอกให้ทั้งสองทิ่มปลายด้านที่เสียมลึกเข้าไปประมาณศอกเศษจนกระทั่งหลืบกั้นข้างในไม่สามารถสอดเข้าไปได้อีกแล้วจึงออกคำสั่งให้ช่วยกันงัดทดลองหน่วงหาความมั่นคงของผนังโลงหินตอนนั้นทั้งเกิดและแง่ทรายช่วยกันออกแรงงัดเต็มที่อยู่สองสามครั้งรู้สึกแต่เพียงว่าแผ่นหินบริเวณ น, นั้นไหวสะเทือนเล็กน้อยเท่านั้นเขาเขายับจะเข้าไปช่วยอีกคนหนึ่ง แต่ชา ย, ยันจับไหลไว้อย่าเพิ่งลําพังเกิดแง่ทรายและคุณอีกคนหนึ่งรวมเป็นสามคนนะเห็นจะไม่มีทางหรอกแต่ถ้ามีผมกับเชิฐาเพิ่มอีกสองแรงมันก็น่าคิดเหมือนกันไม้ท่อนนี้สั้นไปหน่อยให้แง่ทรายไปตัดมาอีกสักท่อนหนึ่งเถอะใหญ่ขนาดเดียวกันแต่คราวนี้เอาให้ยาวสักสามวาเราจะได้ช่วยกันดันพร้อมกันทั้งห้าคนได้ถนัดจริงของแกชา ย, ยานันเชิดถาร้องออกมาอย่างเห็นด้วย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 ชายยานเป็นคนนับจังหวะเพื่อให้สัญญาณช่วยกันออกแรงพร้อมกันหมดทุกคนครั้งแรกแผ่นหินตรงนั้นรั่นคลือดอย่างเห็นผลทันตายิ่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนระดมแรงอย่างเต็มที่ครั้งที่สองส่วนที่บอบบางก็เริ่มแตกร่วงภูเป็นสเก็ดครั้งที่สามมันก็เริ่มคลอนและคลอนไหวเพิ่มขึ้นทุกทีตามจังหวะของการงัดพอครั้งที่8หินปอบบริเวณ น, นั้นก็หลุดปลวกออกมาทั้งกะบิเป็นก้อนขนาดโอ่งย่อม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 ไฟฉายเร็วแง่าสายกระโจนผุ่งไปพิบตาเดียวก็กลับมาพร้อมกับไฟฉายสองอันส่งไปให้ชายยานและดาลินคนะอันทั้งสองก็เปิดสวิตช์ฉายกลาดเข้าไปในถ้ำอันมืดสลัวกลุ่มเครือนั้นทันทีสิ่งแรกที่สะท้อนแวววามตอบแสงไฟออกมาก็คือแง่หินหลากหสีเหล่านั้นเปล่งประกายล้อไฟรานตาไปหมดเพดานเป็นหินย้อยสลับไปกับรากไม้ไม่เชิงจะรบพื้เกินไปนัก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 อย่างชนิดทายอะไรไม่ถูกไปยังภาพที่ปรากฏเห็นอยู่นั้นเป็นตาเดียวเสียงเชษฐากับชัยยันอุทานออกมาแผ่วเบาอย่างมหัศจรรย์ใจมันเริ่มไหวตัวงุ้มง่ามแช่มช้าพยายามจะรบแสงไฟที่ส่องสะกดอยู่ขณะ น, นี้ระยะที่มันอยู่หรือมุมนั้นห่างจากปากท่าประมาณห้าวาเห็นผาดผ่าดในปัจจุบันทันด่วนนี้เหมือนเสือมแมลงวันแต่ตัวเขื่องขนาดซองบุรี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 แล้วพยุงลางออกมาโดยเร็วทุกคนระความสนใจกับเจ้าสัตว์ปราดซึ่งหมดฤทธิ์ไปแล้วชั่วขณะปราดเข้ามารุมร้อมเขาแล้ิพีนไอจามและสำลักอยู่ครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นสูดกับอากาศบริสุทธิ์เต็มแรงกลิ่นฉุนเอียนชวนหน้ามืดวิงเวงตลบคลุ้งไปหมดทั้งบริเวณปากท้าอันเกิดจากแกส๊สซิดที่มันปล่อยออกมาแล้พนเป็นยังไงบ้าง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 อยู่หมัดแล้วแต่น่าเสียดายเหลือเกินตอนที่มันวิ่งสวนออกมาอารามตกใจกลัวมันจะหลบข้ซอซ้อหินไปได้อีกผมเลยกระเทือบเสียบีแบนเละไปทั้งตัวกองอยู่โน่นแน่พรานใหญ่ลุกขึ้นปาดเข้าไปที่ซ่าของมันโดยเร็วทุกคนก็ผูกเข้าไปรายร้อมดาลินใช้กิ่งไม้เล็กๆ เ, เ, เขี่ยซ่าของมันซึ่งบัตรนี้ตายสนิทแล้วพลิกกลับไปมาทั้งหมดมีโอกาสได้พิจารมันได้อย่างถนัดตาที่สุดด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจ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 สีดำคล้ำคล้ายเลือดในท้องยุงตลอดทั้งตัวเต็มไปด้วยขนหน้าขยะแขยงสิ่งที่ทำให้ทุกคนงงงันอาศาัศจรรย์ใจอย่างขีดสุดก็คือทับทิมลักษณะสันฐานแบนกลมเม็ดหนึ่งขนาดดวงทับทิมสะท้อนแสงที่ติดอยู่ยังบางโกรนหลังของรถจั ก, กรยานซึ่งแนบติดอยู่ใต้แผ่นท้องของมันไม่ผิดอะไรกับไข่ที่ติดท้องแมลงมุมอันมองดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวมัน สีแดงคล้ำเป็นสีเลือดค้นชัดชัดเชษฐาใช้มีดแวกออกจากตัวมันเกี่ยออกมาพิจารณาดูอย่างพิเคาะด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวแล้วค่อยค่อยเอื้อมมือที่สวมถุงหนังไปหยิบมันขึ้นมาส่องดูกับแสงแดดให้ตายเถอะนี่มันรูบี้ทับทิมชัดชัดนี่น้ำงามเสีย ด, ด้วยหัวหน้าคณะเดินทางร้องร่นออกมาดูให้แน่สิคะพี่ใหญ่ดาดินร้องบอกมาเสียงสัน่น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 ถ้ามันสำแดงเดดขึ้นมาอีกเมื่อร่เราก็จะได้เห็นการชัดออกไปจะต้องกลัวอะไรนะเมื่อคืนมันจะไปดูดเลือดพวกเราเราก็ยังตามมาเอาตัวมันได้อย่างนี้แล้วมันไม่มีเศษไปกว่าเราหรอกแล้วเขาก็หันมาทางพรานใหญ่เ อ, อ่ยอย่างใครค่กลวนขณะที่ดอกทับทิมนั้นอยู่ในมือสำหรับผมอะอยากจะคิดว่าเจ้านี้เป็นโคทับทิมหรือมิฉะนันก็ตัวแม่ของพวกเพชรพลอยซึ่งอาจมีอยู่ในขาลูกนี้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 ซึ่งเขาก็ไม่สามารถจะบอกกับตนเองได้ว่าเหตุใดจึงต้องห่อมัดมันอย่างมั่นคงถึงขนาดนั้นแล้วใส่ไว้ในย่ามเครื่องหลังส่วนเกิดใช้ดาบเดินป่าสับเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นเสียจนแหลกยับเกือบจะเป็นผุยผงและเอากิ่งไม้มาสุมก่อไฟเผามอดไหมเป็นเท่าฐานไปชนิดไม่ยอมไม่เหลือซากเพราะกลัวมันจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้อีกนอกเหนือไปจากความมหัศจรรย์ใจในตัวเจ้าสัตว์ประหลาดที่ค้นพบ ทุกคนรู้สึกปลอดโปร่งงใจเป็นอย่างยิ่งเพราะกำจัดมันลงไปได้